ตอนอบรมจริยธรรมคณะคุณครูโรงเรียนศูนย์พลรานคอยระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม2560ตอนที่สามชีวิตเรานะไม่ว่าทำหน้าที่อะไรทุกวันนี้เราเราถูกบีบด้วยเรื่องเงื่อนไขเวลาการแข่งขันยื้อแย่งนะทำให้เราทุกอย่างต้องเร่งหมด ทีนี้การจัดโปรแกรมเที่ยวนี่เหมือนกันแล้วมีเวลาแค่สี่วันปีหนึ่งมีส6 5หส้าวันแต่เราเจียดเวลาเราตั้งสี่วันเนี่ยมาฝึกปฏิบัติธรรมนะก็รู้สึกก็มันจุโปรแกรมอันนี้ว่าีแล้วนะถ้าไปเทียบกับกรพิทักษ์นี่พวกครูบอกด็อกเตอร์ก้อยว่าเนี่ยเริ่มเริ่มหกโมงเช้า แกบอกไม่เป็นไรเพราะครูเริ่มหกโมงเช้าแต่ครูแกต้องเริ่มตีสี่นะแล้วมีบางช่วงเนี่ยเราก็จัดโปรแกรมให้ครูพักผ่อนแกบอกเออพราครูพักผ่อนครูต้องทําต่อนะเขาใช้เวลาเขาอย่างมีคุณค่าจริงๆนะครูก้อยเขาเป็นหญิงเหล็กครอบครัวนิสุดยอดพ่อแม่ก็เป็นครูเริ่มจากมีโรงเรียนเล็กๆจ้างครูมาสี่คน รวมั้งพ่อแม่ด้วยเปิดป .1 ถึงป .6 ทุกวันนี้โรงเรียนเขาครูห้0รอคนนักเรียน6 0พ0กว่าจริงๆแล้วเขาจะเปิดอีกโรงเรียนหนึ่งเป็นแฟนชายในลงทุนสองพันล้านบังเอิญครูก้อยมาปฏิบัติก่อนแกบอกแกไม่หาเรื่องทุกแค่นี้ก็พอแล้วนะเขารู้จักพอแล้วก็ที่อังกฤษเขาก็ไปซื้อบ้านพักให้ลูกให้หลานเขาไปเรียนเรียนยังไงรู้ไหม ตีสองครูก้อยต้องตื่นขึ้นมาเนี่ยเอาครูที่ครูส่วนตัวที่ติวลูกเขาเนี่ยติวข้ามทวีปครูก้อยติวอะไรเช็คแอนด์แดนส์ลูกสองคนต้องเช็คแอนด์แดนส์กับหลานแล้วเวลาที่เหลือก็ครูติววิชาการชีวิตเขาสำเร็จเพราะเขาเอาจริงเขาใส่ใจทุกๆกระบวนการนะแล้วครูเขามีวินัยมากเนะพราะครู เมื่อเดือนก่อนก็เข้าไปอบรมสามวันตรงนั้ น, นเพราะว่าเวลาเราน้อยมากช่วงเวลาคุณครูมีโอกาสมาเข้าไข้สามวันแล้วคุณครูเขายินดีทำไม่ถูกบังคับต่ำนะเพราะเขาเห็นผลแล้วแกกระสุปแบบวิทยาศาสตร์ว่าตั้งแต่ปฏิบัติมาปีกว่าเนี่ยคุณครูนี่ใช้ยาน้อยลงมากโดยเฉพาะยาแก้หวัดยาแก้ปวดหัวยาแก้แพ้อะไรเนี่ย แทบจะไม่ต้องใช้เลยชีวิตดีขึ้นเมื่อกี้พอครูดูนะครูเราเนี่ยอายุไม่เท่าไหร่เนี่ยลุกขึ้นยังกับคนแก่ระวังนะนะหาเงินเก็บเงินไม่ตลอดชีวิตเอาไว้รักษาโรคนะเราไม่ดูแลชีวิตตัวเองนะเนี่ยราวิ่งไปตา ม, มานาคตนะก็ชั่วโมงนี้ เพราะครูจะพูดว่าทำไมต้องเสียเวลาปฏิบัติธรรมเหมือนเที่ยวก่อนเราเด็กมัธยมมาที่นี่เขาก็ถามครูว่าทำไมต้องเข้าค่ายนะดีมากคนเราเป็นมนุษย์ป่วเสือต้องรู้ว่าเราทำเสียเวลาแม้แต่หนึ่งนาทีเนี่ยทำเพื่ออะไรนะทำงานก็เหนื่อยแล้วนะทีแรกครูที่กรนพิทักษ์ก็คิดแบบนี้แต่ตอนนี้เนี่ยครูที่กรรพิทักษ์กลับบ้านปฏิบัติ นะเอาสามีเอาภรรยาเอาลูกปฏิบัตินะเอาแม่เอาคุณตาปฏิบัติมันเป็นวิถีของเขาถ้าวันไหนไม่ปฏิบัติกับนอนไม่หลับเหมือนเราไม่ได้อาบน้ำนั่นแหละนี่คือคนไม่ประมาทนะอันนี้เราปฏิบัติเหมือนแค่เอาผลงานของโรงเรียนมาเออเข้าข่ายอย่างนี้ได้เข้าค่ายแล้วอะไรเนี่ยนะใช้คาว่าถ้าคิดแบบนั้นน่าเสียดายนะเหมือนทำหลอกกัน พ่อครูหลอกใครไม่เป็นนะชีวิตพ่อครู28ปีไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างทำเพื่อตัวเองแต่เวลาที่เหลือยินดีนะแล้วตอนนี้เครือข่ายงานเราก็มากอีกอยู่ๆยี่สิบกว่าปีทหารก็เข้ามาเออบอกจะมารบกวนพว่อครูอบรมเศรษฐกิจพอเพียงพ่อครูไม่ได้อบรมไม่ต้องรบกวนเลยพ่อครูทาอยู่แล้วมีแต่ว่าถ้าเอาจริงพ่อครูก็สร้างฐานให้มันพร้อมขึ้นนะ เราก็ลองเร่งทำกันบอกเพราะูบอ ก, ก, บอกขอเวลาปีหนึ่งนะคือทางกองทัพนี่เขามีนโยบายหลังจากในหลวงสวรรคตแล้วเนี่ยเขามีนโยบายว่าจะเอาเศรษฐกิจพอเพียงนี่ไปสู่เพื่อนบ้านนะพะม่าเขาทำแล้วเพราะูจำไม่ได้เขาเอาจังหวัดไหนแต่ลาวเนี่ยมีตั้งแต่หนองคายนคนปรปนมุกดาหารอุบลอะไรเนี่ยนะเขาเลือกที่นี่ นะเขาต้องการที่นี่แล้วก็เขาเอาคนลาวทะวนมาอบรมแล้วสุดท้ายเราต้องตามเป็นพี่เลี้ยงไปเปิดศูนย์ที่ลาวให้เขานะศูนย์ก็ เ, ลเรลองทากิจกรรมเศรษฐกิจเพียงและที่นี่พบ ว, ว่าคุณครูเองนักเรียนเราเองต้องเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องกเกษตรอย่างเดียวกเกษตรนี่เรียกว่าทฤษฎีใหม่ไม่ ม, ไมีไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างไม่มีแม้แต่หนึ่งอาชีพเนี่ย ไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพราะยุคนี้เราเอาเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งในหลวงพระ อ, องค์ว่าไหนไหนก็เศรษฐกิจเราก็ต้อง เ, เอาแบบพอเพียงได้ไหมนะทุกวันนี้เราไม่พอเพียงไงเราไปแข่งกันสร้าง GDP ประเทศนี้ก็ GDP GDP ไปทุกกับ GDP ไปขัดแย้งกับสามีจะขาย10บาทภรรยาจะขาย11บาททะเลาะ ก, กันเพราเงิน1บาทไม่มองหน้ากันสมวันเพราะมันไม่พอเพียงเพราะเราไม่เข้าใจชีวิตนะ ก็ทีนี้พ่อครกูกําลังทําเป็นฐานอยู่นะก็มันเพิ่งเริ่มต้นเนาะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งมันก็สมบูรณ์เด็กๆนักเรียนเราโดยเฉพาะตั้งแต่ประถมนั่นแหะจนมัธยมเลยต้องมาเรียนรู้คุณครูก็ต้องเรียนรู้นะถ้าเราเข้าใจว่าทีนี้เราตั้งมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์บาลานคอยเด็กมัธยมเราตอนนั้นมันก็ว่ากันว่าไอ้พวกเนี่ยเธอเป็นผู้ด้อยโอกาสนะล้ เพื่อนมันไปเรียนโรงเรียนอื่นว่าได้โอกาสเพราะคูได้ยินบอกว่าเราเข้าใจคําว่าได้โอกาสเนี่ยเราเข้าใจผิดว่าแปลว่าคนจนจริงๆแล้วไม่ใช่นะมิสเตอร์บิลเกตเนี่ยที่รวยที่สุดในโลกต้องมาที่ศูนย์พลานคอยเพราะเขาด้อยโอกาสในการเรียนรู้เรื่องชีวิตเขาไม่พอเพียงเขาจะทุกข์ไปจนตายนะเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะแต่เงินทําให้คุณบิลเกตเดือดร้อน เขาวัดกันว่าเงินใครมากที่สุดคนนั้นเป็นที่หนึ่งเขาเคยเขียนคอลั่มหนึ่งมาพวกคูเคยอ่านเมื่อยี่สิบเกือบยี่สิบปีก่อนตราบใดที่มีลมหายใจอยู่เขาต้องเป็นที่หนึ่งตอนนี้เขากลัวเป็นที่สองมันก็แกล้งทําบุญน่ะร้อยสองร้อล้านเหรียญยูเอลารก็ให้มูญในที่ตัวเองนั่นแหละเพื่อเป็นยันกันผีเฉยให้มากๆเดี๋ยวมันจะตกตอนที่เขาให้ตอนนี้เขาตกเป็นที่สองนะตอนนี้ก็เป็นที่หนึ่งอีก เขากลัวมากที่เขาจะเป็นที่สองน่นนะเพราะเขาไม่พอเพียงนะอันนี้เราก็ที่เราไม่ต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตที่ผ่านมาเราไม่เคยเข้าใจนะครูแพทย์คำว่าแพทย์ในใครตั้งชื่อให้คุูแพทย์ไปไหนใครตั้งให้ ฮะอทหารลาาเราเป็นแพทย์เอาชื่อชื่อเล่นเล่นเราชื่อเล่นเราชื่ออะไรตอนเด็กๆอ่ะฮะขออยู่ฝั่งเราเนะเขาเขาตั้งเราเป็นแพทย์เนี่ยเขาปรึกษาเราไม่ว่าเราชอบไม่ชื่อนี้ ก, ก็เกนั่งลงครูพานับถือศาสนาอะไรใครให้เรานับถือ ชื่อพานะลูกศาสนาพุทธนะลูกพ่อแม่ชอบชอบเรารู้มันมันคืออะไรเขาก็ส่งเราไปเรียนวิชาสร้างอนาคตเรารู้หรือ่าเราเป็นใครคุณครูคนไหนบ้างรู้ว่าตัวเองเป็นใครยกมือขึ้นบอกพวกครูหน่อยเราเป็นใคร เรากลายเป็นสิ่งที่สังคมอยากให้เราเป็นเราไม่เคยรู้ว่าเราเป็นใครถ้าภาษาอังกฤษบอก Who are you? My name is Pa. No, I don't want to know your name. I want to know Who are you? ฉันไม่อยากรู้ว่าชื่นชื่ออะไรถามว่าคุณเนี่ยเป็นใครเราเคยรู้ไหมเรากลายเป็นสิ่งที่สังคมอยากให้เราเป็น นี่แหละโจทย์ก็คือว่าเรากำลังมาผู้เจ้าชี้ทางให้เรามารู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนเกิดมาทำไมไอตายแล้วมันไปไหนมันสูญไปจริงๆเหรอนะ <No. S 1> ทั้งหมดเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราต้องไปทำอะไรโง่ๆไงชีวิตเรามีความหมายมากนะเอาล่ะครูพาเป็นคนอีสาน เราจะเป็นครูตอนนี้ใช้ภาษาอะไรคิดเวลาคิดกุูพากูพาใช้ภาษาไทยหรือภาษาอีสานหรือภาษาอังกฤษภาษาอีสานมาจากไหนนั่นเขาก็ให้เรามาอีกแล้วใครรู้ว่างภาษาไทยมาจากไหนกุพร คุณพรคิดแน่นอนมาจากชนมุรี่คิดตามภาษาไทยภาษาไทยมาจากไหนเออพ่อคุณรามคำแหงแล้วก่อนหนะ้าพ่อคุณรามคำแหงเนี่ยคนไทยใช้อะไรสื่อกันรู้เปล่าภาษามันเป็นสิ่งสมมุติมันไม่ใช่ความจริง มนุษย์สมมุติขึ้นภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็คิดตามสมมุติเราจึงไม่เคยเข้าใจความจริงเลยว่าความจริงมันเป็นยังไงเห็นไหมเขาคิดตามภาษาพูดตามภาษาทำตามภาษาแล้วก็ไปหลงว่าเรารู้รู้รู้รู้นะเขาไปแปลว่าเอาวิชาแปลว่าความไม่รู้คือความโง่ ทุกคนกลัวโง่กลัวถูกว่าโงา่ไอโง่ก็เลยเรียนรู้ใหญ่เลยจนจบด็อกเตอร์ทางภาษาศาสตร์ปริญญาเอกทางภาษาศาสตร์เป็นด็อกเตอร์จบมาคุยกันไม่รู้ภาษาปีที่แล้วเนี่ยด็อกเตอร์ที่วิจารณ์อะไรอยอุบลเน็ตต่อยกันแล้วคุณจะไปเรียนให้มันโง่ทําไมล่ะภาษาศาสตร์จบสูงสุดเลยแต่คุยกันไม่รู้ภาษาทั้งหมดเพราะอะไร เพราะเราไม่รู้ว่าความจริงนี่เราเป็นใครกันแน่ภาษามันสอนว่าเธอต้องชนะนะถึงจะดีเธอต้องได้เปรียบถึงจะดีนะมันก็ใช้ภาษานั่นมาใช้เป็นเครื่องมือเอาเปรียบคนอื่นใช้ภาษามาด่าเขามาใส่ร้ายป้ายสีเขาเมื่อเราสร้างกรรมแล้วสัตว์โลกย่อมไปไปตามกรรมเราก็ถึงทุกข์ไงนะคุณครูต้องเห็นคุณค่าว่าเออมีโอกาส บางทีเทอมหนึ่งตอนนั้นปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะก็บอกเอาทุกเทอมเลยแต่สุดท้ายเราก็ไม่มีโอกาสเข้าค่ายตอนนั้นเนื่องจากเหตุปัจจัยไม่เอื้อมหน่วยนะนี่คือคุณค่าของการเข้าค่ายทำไม่ใช่ไปฝึกแค่สมาธิเจริญสติไปแกล้งขังเป็นหุ่นยนนะเดินก็เหมือนหุ่นยนต์นั่งก็นั่งเหมือนหุ่นยนตไอ้นั่นเขาไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติธรรมเมื่อเช้าฉ า, ายให้ดูนะจี้กง ที่กงปฏิบัติธรรมอาจารย์อาเจริญสติอาจารย์อาขวาหนอซ้ายหนอกําหนดยังมีการกระทําอยู่พอเผลอปุ๊บล้มเลยที่กงมีหน้าที่เดินมีหน้าที่เดินมีหน้าที่เต้นวิ่งไปวิ่งไปตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นน่ะนั่นคือปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือการเจริญมรรคผลนิพพาน ไม่ใช่ไปเจริญสติไม่ใช่ไปฝึกสมาธิทุกวันนี้เนี่ย 90% ้าเรซในสังคมเราไปไหนไปปฏิบัติธรรมตามไปดูก็ไปฝึกแค่สมาธิจเจริญสติเราเข้าใจว่ามีสติก็จบมีสตินะ่ามีสิทธิ์แตมันมีอยู่แล้วรู้จักใช้มันหรือเปล่าท่านนั่นเองเอาเป็นว่าการปฏิบัติธรรมไม่จบอยู่ที่สติจบที่ปัญญาสติไม่ใช่พระเอกนะ หลายคนก็เคยไปเข้าค่ายฝึกสมาธิสติอยู่มันไม่ได้ผิดมันเหมือนสอนเด็กๆนั่นแหละเด็กยังเดินไม่เป็นก็ให้ยืนตั้งไข่นั่นคือสมาธิอย่าว่าจะ ต, ตั้งไข่ไม่ชีน้อยที่นี่อายุห้าขวบหมุนติューติュเลยคือการยืนประคองตัวนั่นเป็นการฝึกให้ควบคุมชีวิตตัวเองอย่าให้ลม้มนะนะนั่นแหละคือการเริ่มต้นอันนี้เขาหมุนเร็วๆเลยเนี่ยก็ยังไม่ล้มนะผู้ใหญ่ทําเหมือนเขาไม่ได้เพราะเรากลัว นะเรากลัวไปหมดเลยนะอันนั่นแหละคือการฝึกควบคุมชีวิตตัวเองข้ามพ้นความกลัวนะนั่นเขาต้องใช้สติใช้สมาธิถ้าไม่มีปัญญาเขาหมุนอย่างนั้นไม่ได้นะเดี๋ยวคุณครูลองหมุนดูสักชั่วโมงหนึ่งดูว่าจะเราต้องทำกับเด็กเราต้องรู้ว่าเอ้ยคุณตูอย่าไปหลงตัวเองนะว่าเราเก่งทุกเรื่องคนเราเก่งคนละเรื่องพาะครูก็เช่นเดียวกันคนจีนเขาพูดว่า สันเหยนถงสิงพี่เอี่ยวอูสือสามคนเดินไปด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งกันและกันได้เพื่อทำลายอัตตาตัวเองอย่าหลงว่าฉันเป็นครูปุ๊บรู้ทุกเรื่องเด็กมันผิดทุกเรื่องไม่ใช่บางเรื่องเราก็สู้เด็กมันไม่ได้ต่างคนต่างเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งกันและกันได้เราต้องฝึกเพื่อทำลายอัตตาตัวเองนะแต่ทุกวันนี้จบดอกเตอร์ โอ้ฉันสูงสุดแล้วเป็นด็อกเตอร์แล้วฉันเก่งที่สุดแล้วทําไมคุยกันไม่รู้เรื่องด็อกเตอร์สองคนเรียนภาษาศาสตร์ด้วยกันทําไมคุยกันไม่รู้ภาษานั่นคืออัตรานั่นแหละคําตอบว่าทําไมเราต้องเสียเวลาทํางานก็เหนื่อยเหนื่อยเราต้องมาเข้าค่ายมาปฏิบัติธรรมถ้าคุณครูไม่เข้าใจคุณครูก็บอกเด็กๆนะไม่รู้ว่าเ พ, เพราะเพราะครบที่แล้วเนี่ยเด็กเขาถามพ่อครูว่าทําไมต้องมาเข้าค่ายเขาได้อะไร ก็ตอนนี้เข้าค่ายไม่เอาเหมือนเก่าละนะไหนเด๋ยกก็เข้าค่ายแล้วพ่อครูก็กําลังหาโปรแกรมหาอะไรที่คิดว่าต้องปลูกสํานึกเขาตื่นตอนนี้คุณครูว่าอย่าทานะลูกตอนนี้มันไม่ดีไม่ดีมันก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาอันนั้นเขาเรียกว่าปลูกสํานึกกําลังมันไม่พอต้องปลูกสํานึกเดิมเนี่ยที่จิตสํานึกมันมีอยู่แล้วปลูกให้มันตื่นนี่คือวิปัสสนาะแต่พอเข้าค่ายปุ๊บมันก็ทำ เ, เล่นๆกันไง ตอนนี้สังคมมันแย่ไปหมดละนะเด็กผู้หญิงเจ็ดขวบตั้งท้องแปดขวบเป็นแม่และเมื่อกี้นี้พี่บีนพี่บีนเคยอยู่ประจำที่นี่แค่เทอมเดียวกลับบ้านแล้วไปเรียนเห็นบอกไปสร้างปฏิมากรรมไปตีกันทกกันที่โรงเรียนเมื่อเช้านี่พ่อพามาอยากกลับมาอยู่พ่อกูไม่รับ ไปคิดดีๆก่อนให้ไปนั่งคิดทั้งนอกนะแล้วตอนนั้นมาอยู่ประจำเป็นเรื่องส่วนตัวเราทําถูกทําผิดไม่เป็นไรแต่ตอนนี้มาอยู่ประจำคุณต้องบวชเรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องนายกนายขอมันเป็นเรื่ององค์กรของศาสนาถ้ามาทําไม่ถูกต้องในบาปหนักนะคิดดีๆก่อนมันก็นั่งคิดบอกไปนั่งคิดทั้งนอกเดี๋ยวพวกครูคุยกับคุณครูก่อนตอนนี้เขาเรียกว่า ทำเล่นๆมักง่ายแบบไทยๆคือไทยแท้นะเราสู้เขาไม่ได้สังคมโลกมันแข่งกันกแบบนี้ยังปล่อยให้ลูกหลานแบบนี้เนี่ยตายลูกเดียวอันดับแรกเด็กตายหรือเปล่ายังไม่รู้มันยังไม่จบแต่ครูกําลังตายกันหมดแล้วครูตายหมดแล้วเหลือแต่อาจารย์หนึ่งอาจารย์สองอาจารย์สามทุกคนมุ่งมั่นเรียนเพื่อจะเป็นอนาคตเอาเป็นแค่สวัสดิการมันกู้ได้รักษาพยาบาลฟรีอย่างนี้นะเพราอยากไปเป็นครูแบบนั้นเป็นอาจารย์แบบนั้นนะไม่มีอุดมการณ์เลย ไม่เคยมีความรู้สึกว่าจะมาช่วยกันสังคมอย่างไรนะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ย ว, ยวแต่และชั่วโมงเนี่ยเราจะมีฉายว c ซอานะแล้วก็แลกเปลี่ยนกับคุณกูณนะเพราะกูเห็นคลิปอะไรดีๆแก้วแก้ ว, กวไลออกตัวนี้ อ, อกหมาพ่พ่อกูมันมีเรื่องหนึ่งแม่ก็เป็นกรรมกรก่อสร้างในในกรุงเทพลูกชายระดับปถมไม่ได้เรียนหนังสือก็ไปอยู่ในที่พัก แม่ไปทำงานก็ห่วงลูกอย่าไปไหนนะลูกพอแม่ไปปุ๊บมันก็เอาผ้าปิดหน้าเนี่ยหายไปไหนมาดูพูดคุยเอ้ไมเป็นเป็ น, ปนโจรหรือเปล่าแม่กลับมามันก็ไม่อยู่เดินไปตามน่าจะเป็นพัทยานะมันก็ยืนคุยกับตํากับฝรั่งอยู่แม่ก็ดึงแขนมาเนี่ยว่าลูกมันจะไปขายตัวกลับมาบ้านเห็นหนังสือภาษาอังกฤษเก่าๆด่ามันไปขโมยเข้ามาใช่ไหม เขาบอกว่าไม่เขาชี้ขึ้นไปข้างบนเป็นเนินเขานะพาแม่ไปดูอะไรกองขยะมันไปคุยเขีย่ยวหาหนังสือมันบอกว่าผมอยากเรียนหนังสือตอนนี้เด็กไทยแบบนี้เยอะแยะเลยเรามีสานึกไหมว่าจะช่วยเด็กเหล่านี้อย่างไรพราะครูมีสานึกไงพระครูถึงมาเปิดสองโรงเรียนนี้ยีสบแปดปีไม่มีวันหยุด แล้วตอนนี้มันหนักขึ้นมาจนต้องให้เขาบวชต้องดูแลเห็นไมอาทิตย์ที่แล้วเราส่งพี่หมวยพี่พลอยไปเรียนแพทย์แผนไทยที่เชียงรายแล้วก็ตั้งตั้งกองทุนเขาคนละห้าแสนบาทสี่ปีปีหนึ่งแสนสองค่าเทอมหกมืนค่าอยู่กินหกหมื่นนะ สนพี่ชมพู่ว่าเออคิดว่าจะไปเรียนอยุบลตอนนี้อารมณ์แกยังไม่นิ่งแกเกิดโรกหวาดผวาอะไรวะพี่ชมพู่ไม่ต้องไปปฏิบัติอีกก่อนช้าอ ย, ย่างหน่อยไม่เป็นไรถ้าส่งออกไปตายเราเนี่ยเราไม่ทําอันนี้ชี้ให้เห็นว่างานเรา ย, ยังรออีกเยอะถ้าคุณครูปล่อยให้ตัวเองแก่ตายเป็นวันวันหนึ่งเอาแค่ทํางานเป็นครูอยู่ได้เฉยเฉยเนี่ยนะพวะครูใช้คําว่าหน้าเสียดายเวลาชีวิต ไม่ใช่เอาแค่ไปสร้างอนาคตอะไรนั้นไอ้เป็นแค่ข้าราชการเพื่อให้มันกู้เงินได้รักษาพยานฟรีก็นั้นเหรออย่างนั้นไม่ต้องไปเป็นอะไรดียวกว่าไปเป็นทาสานอยู่เฉยๆเน่ยมันมก็อยู่ได้แล้วไงที่มันกู้ได้แล้วมันอันตรายมากสวัสดิการด้วยเนี่ยเป็นหนี้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วก็มาบอกว่าครูเป็นหนี้ไม่มีกําลังใจสอนแล้วใครสร้างหนี้ละ่ะก็เราเองสร้างเองไง เอาละมันสร้างไปแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาไม่ใช่ว่าไปทุกข์กับนี่เราอยากมีนี่เราก็ดีใจเนี่ยเราอยากมีเราก็มีแล้วไงต้องดีใจประ ก, การเป็นนี่แล้วก็หาวิธีแก้ไขซะแล้วก็ตื่นขึ้นทําหน้าที่ดูแลเด็กเนี่ยอันนี้พ่กคูก็พูดไปพูดมามันข้ามขั้นตอนแล้วเมืดอว่าเออมันถึงจังหวะอะไรก็รีบพูดนะเพราะว่าพรุ่งนี้อะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้ไม่ใช่ทุกคนต้องมาทําแบบพครูอยากทําก็ทําไม่ได้หรอกไม่ต้อง เอาแค่มีสํานึกความเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะยิ่งสานึกความเป็นครูคนหนึ่งเนี่ยครูยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยเห็นไม้มคนอื่นไม่รู้ก็ช่างหัวมันแต่เราทำแล้วเรามีความสุขเราพอใจกับสิ่งที่เราทำแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วเราได้ความสุขทุกวันนะนี่แหละเราเข้ามาเข้าค่ายแล้วทำไมเราต้องเต้นอันหนึ่งคืออลหันจีโงเห็นไหมเขาจเจริญมรรคจิตเขามีหน้าที่เดินเขาก็เดิน ไม่ใช่ไปเป็นหุ่นยนต์ไม่ใช่ฝึกอาจารย์อาไปฝึกฝึกนะถูกรบลวนหน่อยหนึ่งก็ลมแล้วอันนั้นคือฝึกสมาธิเจริญสติแต่จี้กงนี่เจริญมรรคจิตมรรคผลนิพพานการปฏิบัติธรรมต้องเจริญมรรคผลทุกวันนี้สังคมไทย 90% เนี่ยการปฏิบัติธรรมไปอยู่แค่สติแค่สมาธิมาถึงทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะเราเข้าไปในจิตไม่ได้นะให้คุณครูเข้าใจว่าเอ๊ะ ที่นี่มาทําอะไรนะเดี๋ยวมีเต้นมีเช็คมีอะไรเหมืนอนเดิมนั่นแหละมันเป็นเทคนิคที่ทําให้เราอยู่กับตัวเองนะเป็นเทคนิคที่ทําให้เราอยู่กับตัวเองแล้วเมื่อเราตั้งมั่นอยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยยังอยู่ในเถคในเหลาเนี่ยพวกเยาวชนมันไปเต้นด้วยอารมณ์ที่สนุกสนานเพื่อ ก, กบเกิืนความเบื่อของเขาขาดสติชนกันปุ๊ตีกันฆ่ากัน แต่เราก็เสียงเหมือนกันเต้นเหมือนกันแต่เต้นจากสมาธิสติเอาารมณ์ออกเต้นเหมือนกันแต่ในายะมันต่างกันเนี่ยกชีเจตนานะเต้นเราก็รู้ตัวลำก็รู้ตัวยืนเดินนั่งนอนรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นแหละคือเราใช้สติไม่ใช่ฝึกสติ นะให้ให้เข้าใจแล้วก็เปิดโอกาสให้จิตเราเนี่ยได้ลิ้มรดความอิสระภาพนะก็ช่วงนี้ก็เกิดเกินอย่างนี้ว่าทําไมเราต้องเสียเวลาเข้ามาเข้าค่ายเป็นการปลุกสํานึกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้มันตื่นขึ้นมาถ้ามันมีสํานึกแล้วต่อไปเราทํางานอย่างมีความสุขไม่ใช่ไปทุกข์กับงานเพราะคุณเน้นเรื่องนี้บ่อยๆที่เข้ากรุงเทพอบรม บริษัทห้างร้านองค์กรต่างๆก็เน้นเรื่องนี้อย่าอดทนทำงานเพื่อความสุขจงทำตนให้มีสุขเมื่อได้ทำงานสุขทุกเมื่อที่เราได้ทำในสิ่งที่เรามีความพึงพอใจกับมันถ้าคุณครูไม่พึงพอใจในความเป็นเป็นครูแล้วเนี่ยทำไปด้วยทุกไปด้วยมีแต่คิดถึงอนาคตอนาคตปัจจุบันกำไรอะไรขาดทุนความสุขกำไรความทุกทุกวัน ไม่ใช่เรื่องชานฉลาดนะเราต้องภาคภูมิใจมีความพึงพอใจกับสิ่งที่เราทําโดยเฉพาะอาชีพครูถ้าเป็นครูจริงๆเนี่ยนะเราได้เปรียบอาชีพอื่นเราเป็นผู้ให้ผู้ประสานวิชานะอันนี้เมื่อกี้เกินเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราก็ดูพร้อมกันนะไอ้เรื่องเด็กที่ไปขุดคุ้ยขยะเพื่อจะหาตํารามาเรียนมาเรียนภาษาอังกฤษมันก็ไปคุยกับฝรั่งฝรั่งถามทางไปที่ไหนมันก็ไปบอก เนี่ยเขาเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะไม่รู้เขาจะฉายเมื่อไหร่นะก็คงคงเป็นพรุ่งนี้มีอีกเรื่องหนึ่งเด็กคนหนึ่งเป็นออคิสติกนะเรียนไม่กระพิวกระขายใครก็ไม่ได้แต่ไปเจอครูผู้หญิงคนนั้นน่ยเขามีเมตตาเขาใส่ใจเด็กคนนี้ นะเด็กคนนี้เป็นอัจฉริยะนะมันเป็นอัจฉริยะนะแต่คนไม่เข้าใจมันเนี่ยนะแต่ทีนี้เมื่อเขาไม่เข้าใจมันก็เกิดอารมณก้าวร้าวนะแต่ครูคนนี้เขาเข้าใจนะทั้งหมดถ้าเราไม่ใส่ใจเราก็ไม่เข้าใจนะจริงๆแล้วตอนนี้เสียดายว่าคุณครูมาเข้าค่ายตอนนี้บังเอิญ ช่วงที่ผ่านมาเราทำไฮโดรโปนิกปลูกผักปลอดสารพิษแล้วก็เก็บเกี่ยวมาเราทดลองมีหลายโต๊ะมีหลายขนาดมีหลายแบบนะตอนนี้อยู่ในหวงังเราก็ลงังล้างทำอะไรใหม่เราไปเรียนรู้กับตรงนั้นเด็กๆไม่ชีมัธยมเนี่ยเรียนรู้กับตรงนั้นตีสี่กว่าพ่อครูก็มาศูนย์เขาก็ตื่นมาพบพ่อครูแล้วก็เอาไฟฉายไปส่องดูผักนะเด็กๆไม่ชีมัธยมบอกว่า พูดพร้อมกันเลยมันโตไวจังพระครูตอบว่ายังไงที่ผักมันโตไวมันไม่ได้ไปโรงเรียนถ้ามันไปโรงเรียนแล้วเนี่ยมันจะมีวิชาแถมฮัลโหลฮัลโหลมีโน่นมีนี่มันไม่ตั้งใจยังไงแต่ไอ้ผักนี้เนี่ยไฮโดรโปนิกเนี่ยน้ํามันไหลผ่านมันกลัวว่ามันจะแรงมันจะดูดอาหารยี่สี่ชั่วโมงเลยเนี่ยมันตั้งใจยังไงมันถึงโตไว อันนี้ก็คือการศึกษาแต่ที่นี้เด็กความละเอียดอ่อนเขาก็ไม่พอไงบางทีเขาก็เผลอไม่ไปดูน้ำปุ๋ยมันหมดอะไรเนี่ยนะเพราะพ่อครูตื่นเช้ามาไอผักตรงนี้คอมันตกมันฟ้องพ่อครูบอกว่าทำกับมันอย่างนี้ได้ยังไงเอามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพ่อครูคุยภาษาผักเป็นนะ แต่เราต้องใส่ใจต้องเงี่ยวหูฟังมันพูดเบามากแต่ถ้าเราทําแฮะเส้นๆอย่างนี้เหมือนเราสอนหนัง ส, สือไปอย่างนี้แล้วเราจะเห็นไม่เด็กอัจฉริยะไม่เห็นนถ้าเราใส่ใจมันนีเนี่ยเราจะเห็นความจริงพวกกูไม่รู้เรื่องไฮโดรโปนิกสแต่เมื่อจากว่าต้องทําพวกกูก็เริ่มศึกษาหลักใหญ่ๆมันคืออะไรพวกกูไม่ต้องทําตามเขาแล้วก็กล้าคิดจะทําอะไรที่มันเป็นรูปแบบใหม่แล้วก็มันเกิดประสิท ธ, ธิภาพเหนือกว่า เพราะเราใส่ใจอาชีพอะไรก็ช่างถ้าคุณไม่ขใส่ใจคุณไม่เงีย่ยวหูฟังเขาเนี่ยคุณจะไม่รู้ว่าเขาจะบอกเราอะไรเพราะครูก็เอาเรื่องผักนี่สอนเด็กนะตอนนี้เขาเปิดเทอมแล้วตอนนี้เราจะเริ่มต้นใหม่นะคุณครูขงว่างต้องไปดูว่ามันมีหลายโต๊ะแต่และโต๊ะนี่ใช้เทคนิคไม่เหมือนกันเทคนิคมันก็คือ น้ำเคลื่อนไหวถ้าเราไปแช่น้ํามันมีทีหนึ่งแช่น้ําพวกคูก็เอากล่องนั้นล่ละมาเจาะรูเจาะรูใส่น้ําอันนั้นแช่แต่ว่าต้องใช้ออกซิเจนคือน้ํามันไหลนี่มันทําให้มันเกิดออกซิเจนเหมือนผักนี้เราปลูกในดินเนี่ถ้าดินไม่ร่วนซุยเนี่ยมันจะไม่โตมันต้องพวนดินเห็นไหมมันขาดอากาศ เนี่ยต้องดินน้ำลมไฟครบสมบูรณ์อันนี้แหละถ้าเราเรียนรู้เอาผักเอาการเกษตรมาเรียนรู้เราจะเข้าใจชีวิตเราชีวิตเรามันก็ไม่สมดุลบางทีธาตุไฟมากเกินไปเราก็เกิดโกรธบ่อยๆแล้วเป็นไข้บางทีธาตุน้ํามากเกินไปก็เป็นหวัดเป็นโรคภูมิแพ้นะผักกับเราเนี่ยส่วนประกอบเหมือนกันคือดินน้ําลมไฟวิชาไหนก็ช่าง เราทำอะไรก็ช่างถ้าเราไม่ใส่ใจแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นมันเราจะไม่ได้ยินมันพูดนะเหมือนเราทำหน้าที่ก็ทำให้มันเสร็จเเฉย ๆ, ๆแล้วเนี่ยแล้วก็เจอปัญหาในปาห น, นี้ก็ไปอ้างโน่นแก้โน่นแก้นี่แก้ตัวเฉยเฉยน่ะนะพอปล่อยให้ตัวเองเครียดมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ไปหาหมอไปทุกข์กับมันนะเพราะว่าเราไม่ใส่ใจตัวเองด้วย ที่ผ่านมาสองปีเพาะครูใช้อุบายว่าเอาน้ำหนักคุณครูเนี่ยนะมาเป็นเครื่องมือทาให้คุณครูใส่ใจตัวเองนะบางคนก็ทำแค่ให้มันได้เงินพันบาทแล้วก็ปล่อยมันขึ้นมาอีกแต่อย่าให้มันขึ้นเกินกิโลเอาแค่แปดขีดก็พอใช่ไมไแล้วก็ลดลงไปมุดก็ได้เงินอีกเยอะอันนี้เราไม่ซื่อสัต์กับตัวเองนะสุดท้ายเราทาเพื่อสุขภาวะร่างกายเราแข็งแรง ไม่ใช่ทำเพื่อเงินอะไรนั้นนี้เป็นแค่รางวัลเป็นน้ำใจเป็นการกระตุ้นให้คุณครูดูแลตัวเองหน่อยหนึ่งนะถ้าไม่ทำนะเหมือนคุณยายนะั่นนะเพราะครูใช้คาว่าถ้าพ่อครูยังมีหัวใจอยู่พ่อครูจะเจ็บปวดนะพ่อครูสอนคนทั้งโลกแต่คนข้างตัวเลยเหมือนคุณยายนะ่ะเป็นเบาหวานเคยมาบางัางคับให้ปฏิบัติปุ๊บนิดหนึ่งก็ไม่สู้ ก็ไปอาศัยยาเร็วๆนี้ก็ได้ยินน้องโดนว่าพาไปที่โรงพยาบาลเมื่อน้ําตาลขึ้นก็ไปฉีดอินซูลินให้มันต่ําเมื่อมันต่ําเกินไปก็จะช็อกอีกก็ไปเพิ่มน้ําตาลให้มันสูงขึ้นอีกหมอมันรักษาแบบนี้ไงมันเป็นเบาหวานเพราะน้ําตาลมันเยอะมันก็แก้เลยว่าไปฉีดกดไว้ให้มันต่ํามันก็ต่ําลงไปเพราะมันต่ำปุ๊บ มันขาดน้ำตาลกาย่าขาดน้าตาลน้าตาลมันไม่ได้ขาดนะเพราะฤทธิยาทำมันตัดไปเพิ่มน้ำตาลขึ้นเมื่อฤทธิยาหมดมันก็สูงอีกแล้วสุดท้ายเห็นอนาคตฟอกไตหมอบรรชาแดงเนียมเนี่ยเร็วๆนี้มารายงานพ่อครูไปกรุงเทพแกยากแค่ไหนก็ต้องมาเยี่ยมพ่อครูทุกครั้งออกไปบรรยายเขาก็ให้ซองแกไม่เคยเปิดซองเลย แกรวมเป็นปุ๊บเนี่ยก็ทำบุญกับพระครูหมดเขาบอกพ่อเขาวิจัยสรุปกันแล้วว่าโรคไตเกิดจากยายานั่นแหละไปฉีดยามันนั่นแหละสารตกค้งางตอนนั้นมันก็ทำให้ไตมันทำงานหนักแล้วสุดท้ายไม่ได้ตายเพราะเบาหวานนะตายเพราะโรคแทรกซ้อนนี่คือรักษาแบบนี้ไง วิธีรักษาโรคที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้เกิดโรควิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่ดีที่สุดคือรักษาความสะอาดสะอาดจิตสะอาดร่างกายสะอาดสิ่งแวดลอ้อมเมื่อจิตสะอาดร่างกายสะอาดภูมิคุ้มกันมันก็เกิดทุกวันนี้ไม่ใช่พ่อครูไม่มีเบาหวานนะมีเพราะตอนหนุ่มๆตอนเด็กๆ เ, เนี่ยชอบกินของหวานมากกินเหล้าเป็นว่าเล่นอันนั้นแหละหัวน้ําตาลละ่ะทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยกรรมฐาน วันไหนอยากให้เบาหวานมันขึ้นไม่ยากเลยเดินเข้าไปในกรัวปั้นข้าวเหนียวมาปั้นหนึ่งใส่เข้าไปแก้วตรวจพุ่งพวดเลยสองรอกว่าแต่มันไม่มีผลข้างเคียงพอเราใส่ยาเข้าไปปุ๊บนี่จากไม่เป็นเบาหวานกลายเป็นเบาหวานขาดยาเมื่อไหร่มีผลทันทีแค่เราระวังเรื่องอาหารเนี่ยเชื้อโรคเข้าทางปากออกทางปากนะนะเวลาอัดเข้าไปเวลามันอร่อยนะนะ้า ไม่บัญญาบัรยังเนี่ยมันก็เกิดผลไงเท่นี้คุูโก้ต้องมีหน้าที่หลักคือเฝ้าคุณยายมาคุณโก้สมัยก่อนไม่ได้กินส้มตําตํมมามะละก orn นนะคุณโก้มันคุโก้มันกินตําพริกอะ่ะแดงไปหมดเลยแล้วก็อัดเข้าไปบอกแซบชิปหายเลยก็รู้ว่ามันชิปหายก็อัดเข้าไปไง มันก็เป็นชีพหายไงมันล่วกกระเพาะไงเนี่ยคนเราเวลาเราท้องอืดท้องร่วงเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะปวดหัวธรรมดานะเป็นเรื่องที่ดีนะมันเตือนเราว่าเบาๆหน่อยเธออย่าคิดมากแล้วก็แก้โดยกินยาแก้ปวดไประงับมันให้มันระงับประสาทไม่ไม่ให้มันรู้สึกปวดจริงๆแล้วมันยังปวดอยู่นะอันตรายมากแต่มันระงับประสาทไม่ให้มันส่งกระแสมาให้วิญญาณมันก็ไม่รู้สึกเดี๋ยวมันก็พัฒนาเป็นโรคอย่างอื่นพ่อครูนี่แหละคนหนึ่ง นักคิดผู้ยิ่งใหญ่เงินเต็มบ้านได้ได้รางวัลชีวิตคืออะไรเป็นไมเกรนอยู่อเมริกานะความเครียดลงกระเพาะไนงะเพราะกินยาละงาปวดแล้วก็คิดอีกบุญเก่าท่านั้นหละมันทำให้เราระเบิดตูมเลยไมเกรนหายเดี๋ยวนั้นกระเพาะหายเดี๋ยวนั้นกลับมาที่นี่ยี่สิบแปดปีไม่เคยปวดหัวแม้แต่หนึ่งครั้งเพราะมันไม่ต้องคิดเลย คุณครูไม่เชื่อหรอกว่าคนเราไม่ต้องคิดก็ได้ทำไมจะไม่ได้อะตำรวจก็ไม่จับไม่บิดกฎหมายข้อไหนไม่ต้องขอวีซ่าตั้งหักสบายทักงเ่างไม่ต้องเสียเวลาคิดแต่กิเลสเรามันเคยคิดบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะที่ไม่ได้เพราะว่าเรามีอนาคตเรามีความอยากเราต้องคิดวางแผนไงอถ้ามันไม่มีอนาคตไม่มีความอยากแล้วทาไมมันต้องคิดล่ะ เมื่อมันไม่ต้องคิดมันก็ไม่ต้องปวดหัวนี่จิตมันแก้ที่ต้นเหตุไงพอมันปวดหัวมันเตือนเราว่าเบาๆหน่อยแล้วก็อวดดีไปกินยาแล้ประสาทฉันก็คิดอีกเมื่อลิยามันหมดมันก็ปวดอีกไงพัฒนาไปเป็นไมเกรนแล้วก็โรคภูมิแพ้อีกเพราะว่าภูมิคุ้มกันมันตกความเครียดลงกระเพาะตอนเรากินแทบแทบแทบแทบนั่นแหะมันก็เกิดปวดท้องท้องอืดท้องร่วงแล้วก็ไปรักษากินยาแก้ปวด แล้ววันไหนก็แทบแทบอีกแล้วไปแก้ปลายเหตุตลอดตอนท้องอืดท้องร่วงมันเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าเวลากินระวังหน่อยหนึ่งแต่เราสู้ความอยากไม่ได้ไงเพราะมันแทบไงแต่พอเราฝึกจิตแล้วเนี่ยตอนนี้พ่อครูกินเผ็ดนิดหนึ่งก็ไม่ได้นะเค็มนิดหนึ่งก็ไม่ได้นะเพราะมันไม่มีความจําเป็นต้องลิ้มรสเหล่านี้แล้วไงมันถึงไม่มีปัญหาแต่กรรมเก่าที่เราสร้างมาเ อ, อ มันทําลายตับอ่อนตัวเองมาแล้วตั้งแต่เนี่ยทั้งกินเหล้าทั้งอะไรเนี่ยเราก็ต้องรับมิบากนั้นแต่ว่าเราอยู่ได้ด้วยกรร ม, มาฐานแต่ถ้าพระครูไปพึ่งยาปุ๊บเดี๋ยวผลข้างเคียงเกิดขึ้นอันนี้นิดหนึ่งก็หาหมอหาหมอหาหมอทําไมหมอหลายคนวิ่งมาหาพระครูชีวิตเราถูกใส่ว่าไม่สบายก็หาหมอหาหมอนะต้องมีจรร ญ, ญาแพทย์ต้องแล้วก็ให้เขารักษาแบบ เนี่ยตอนนี้มีหมอคนหนึ่งเป็นหมอผู้อาวุโสนะอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพชื่อว่าอะไรล่ะออกมาเปิดเผยเลยพาตัดอะไรแกบอกว่าตัวเองแกเดี้ยงหมดแกบอกอย่ารักษาแบบนี้รักษาแบบยาไม่ใช่คำตอบเห็นไหมออกกำลังกายแล้วกินอาหารที่มันมีประโยชน์ต่อชีวิตนะป้องกันดีกว่ารักษา คุณผ่าตัดไปเนี่ยคุณคิดว่าเส้นประสาทอะไรมันจะไม่ขาดเหรอมันไม่เหมือนเก่าอยู่แล้วล่ะแค่ไปทำลายความรู้สึกปวดเฉยๆว่าเราหายมไม่ได้หายแต่เส้นประสาทถูกทำลายไปแล้วที่นี่โรคอย่างอื่นก็ตามมานี่นักวิชาการวิชาการมันมีความรู้แค่นั้นไงถึงว่าน้องพลน้องหมวยเนี่ยติวๆแล้วเนี่ยเขาสามารถสอบหมอได้เลยนะพาะครูก็เอาอาจารย์หม อ, อหมอบัญชามาพูดให้เขาฟัง หมอโกหมอหมอเอสหมอบิ๊กอะไรหมออาชีพหมอมันสนุกแค่ไหนแล้วหมอพวกนี้เนี่ยเขาเรียนหมอเขาเรียนหนีไปเรียนแขนงอื่นแบบโฮลิสติกไปรักษาแบบองรวมไม่ใช้ยาเพราะเขารู้เพราะปฏิบัติแล้วเขาฉลาดขึ้นสุดท้ายหมวยกับพลเพราะกูก็พาไปโรงพยาบาลอุบลอาจารย์น้อยวันนั้นพาไปที่ราชพักติ ไปปีนขึ้นชั้นสี่แกเป็นความดันอยู่แล้วน่ยนะเอาเด็กไปดูห้าคณะพราะครูก็คิดว่าไปส่งเพราะกูจะไปทํางานเออคณะแรกก็ไปส่งดูว่าเป็นยังไงอาจารย์อ้อยเด้งบอกพี่แก้วพาไปโรงพยาบาลพราะครูก็เลยต้องนําเด็กเนี่ยไปดูถึงห้าคณะเป็นหน้าที่พ่อครูเหรออ่าไปดูว่าเป็นยังไงไปคุยกับคณะบดีเขาแต่ละคนเป็นยังไงให้เด็กไม่รับรู้ความจริงแล้วก็พาไปเยี่ยมอาจารย์อ้อย หมวยกับพลอยไปเห็นแล้วจะเป็นลมโรคแบบนี้มันเป็นโตกมั น, ม, นมันฉับพันนะไปถึงที่นูนนะอาจารย์อ้อยยังนอนอย่ารถเข็นอยู่ชั้นล่างยังไมไ่เจอหมอเลยพี่แก้วกับพ่ออยู่ตรงนั้นเกือบสามชั่วโมงที่นี่ไม่พอเข็นนไปชั้นแปดเพราะกูก็ตามไปมันเต็มหมดแล้วล่ะไปยัดอยู่ในทางเดิน 2ชั่วโมงผ่านมาไอ้ข้างๆนี่ตายคืนนั้นตายอีกสี่คนเป็นหกคนพวกครูตั้งชื่อห้องนั้นเนะห้องเพิ่มความดันมันเข็นอาจารย์น้อยไปอยู่ในใต้ต้นม้ยังดีกว่านี่มันรักษาแบบนี้ไงพลกับหมวยบอกไม่เอาละหมออายุสั้นนี่หมอก็น่าเห็นใจมากพยาบาลก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าอยู่กับอะไรก็ไม่รู้ อาจารย์อ้อยบอกาถ้าแกไม่ปฏิบัติทำมาเนี่ยแกตายแล้วแกทนสภาพอย่างนี้ไม่ได้ไอเสานอนเฝ้าทั้งคืนเนี่ยอาจารย์อ้อยก็นอนเวียงไอเสาก็นอนเวียงอนอนเวีย ง, น อ, นยงอันนี้ก็โอยนี่ก็โอยเดี๋ยวเขาหามศพไปมันรักษาแบบนี้ไงไปเพิ่มความดันนะสุดท้ายเด็กสองคนนี้ก็เลือกดีละแพทย์แผนไทยเป็นการช่วยชาติด้วย แพทย์แผนไทยเนี่ยได้ใบอนุญาตสี่ใบหนึ่งเปิดคลินิคลักษาคนได้ถูกต้องตามกฎหมายสองเป็นเภสัชปรุงยาเองได้สามผดุงคันได้ทำค้อดได้สี่นวดได้เราไปเรียนแพทย์ผ่าตัดอย่างเดียวเภสัชอย่างเดียวอันนี้อย่างเดียวอันนี้ทำไมเป็นแบบนี้เพราะในหลวงราชการที่เก้าพระองค์ส่งเสริมตัวนี้ เมื่อเราปรุงยาสมุนไพรได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีสารตกค้างแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจไม่ต้องไปซื้อยาฝรั่งเสียดุลการค้าเข้ามาคิดอะไรต้องคิดถึงบ้านเมืองและย า, ยาและเราเองต้องอายุยืนด้วยหมอทุกวันนี้อายุสั้นเฉลี่ยห้าสบปีตายแล้วเพราะอะไรเครียดมากแล้วก็อยู่กับสารเคมีตลอดเรากินยาแก้ปวดมันระงับปวดมันก็ตกค้าง นั่นแหละคือโรคภูมิแพ้นั่นแหละคือมะเร็งลูกศิษย์ลูกหาพา่อครูเป็นหมอตั้งหลายแขนงสาขานะก็มาเรียนรู้แบ่งกันเด็กเราต้องใส่ใจแล้วก็ต้องศึกษาดูว่าเอออะไรที่มันเหมาะกับเขาจริงๆก็พาเขาไปดูเอาคนที่รู้มาบอกเขาไม่ใช่ว่ากูสอนแล้วหน้าที่กูหมดกูกลับบ้านเราจะไม่เห็นจิตซึ่งเป็นอชิริยะ ทั้งหมดคือสำนึกถ้าคุณครูปึกสำนึกตัวเองได้เนี่ยเราก็มีจิตใจเมตตาเราก็มีความสุขกับการทำงานถึงมันเหงื่อไหลใครย้อยก็ช่างแต่มันมีความสุขละ่ะเพราะมันได้ให้มันได้สร้างอนาคตของชาติเห็นไหมนี่แหละเราเข้าค่ายเพื่อปลุกสำนึกอยู่ที่ว่าใครจะเอาแค่ไหนแต่ไม่ใช่ทุกคนต้องมีหน้าที่ตัวเองแค่นี้ก็ทุกข์มากแล้วยังพาฉันมาทาอะไรก็ไม่รู้ พ่อครูก็ปรึกษาครูคีนะก็เคยจัดไปทัวร์อยู่บางบางครูบางคนก็ภาระหน้าที่ก็เยอะไม่อยากจะไปเหมือนบางคับถูกไปไอเที่ยวนี้ไม่ได้ตั้งใจตั้งเมชีน้อยเนนน้อยเนี่ยพกก่อครูต้องจัดเวลากินข้าวกับเขานะถ้าเสาร์อาทิตย์ว่างปึ๊บนะพกก่อครูบอกหลวงพี่นัดเนนให้พกก่อครูเดี๋ยวไปกินข้าวกันอ่ะ ไม่ชีที่ดูแลไม่ชีมัธยมเดี๋ยววันนี้พ่อคูไปกินข้าวพาไปขงเจียงไปอะไรเนี่ยคือเขาเป็นลูกหลานเราพราะครูต้องใกล้ชิดเขานี่ด้วยตัวพ่อครูเองขนาดไปเที่ยวไปอะไรพ่อคูก็ตามเขาไปนี่คือหน้าที่เราไงถ้าเราไม่ใส่ใจเราก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนี้มันชอบยังไงเอมันบุคลิกมันตรงกับมันต้องใช้อาชีพอะไร ถึงมันจะมีความสุขแล้วมันจะช่วยเหลือประเทศชาติได้มากแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจไม่ทุ่มเทเราจะมีข้อมูลเหล่านี้เหรอเดี๋ยวสังเกตดูนะเดี๋ยวพวกเราอยู่ที่นี่สี่วันเนี่ยแค่มันปฏิบัติเสร็จพระครูนั่งอยูน่นี่วิ่งมาหาพระครูหมดเลยเขาอบอุ่นไงพ่อแม่เขาไม่มีเวลาไงเพราะไปเผอสร้างนี่แล้วก็ไปทํางานทํางานทํางานอเดือนไหนส่งเงินมายายกับหลานก็มีเงินกินข้าวไม่มีส่งเงินมาก็ไม่มีอะไรกิน ญาติที่ทำมาที่นี่ก็เกิดสํานึกไปกรุงเทพส่งวิตามินมาเพราะกรูบอกว่าแก้วบอกเ้าหน่อยนี่ยเข้าใจผิดแล้วเด็กที่นี่ไม่ได้ขาดวิตามินเด็กที่นี่ขาดอาหารที่นี่เราเลี้ยงคนะเห็นไหมแม่ครัวที่นี่หนักนะไม่มีวันหยุดนะเงินเดือนนงเดียนก็มีจํากัดแหะเพราะว่าเราใช้วิธีเหมาอะไรกันเนี่ยก็เจียบไปเจียดมานะ่ยนะศูนย์ก็ต้องให้เ้าพิเศษเพราะว่าเขาทํางานตั้งแต่หกโมงเชา้า แล้วก็ไม่มีวันหยุดก็ประคองให้ทุกคนอยู่ได้เพราะเราต้องเลี้ยงคนเป็นพันคนแต่ละวันคุณครูต้องหันมามองบ้างว่าองค์กรเราทำอะไรถ้าเราเห็นเราต้องภาคภูมิใจเราอยู่ในองค์กรที่พราะครูยังยังเตรียมความพร้อมนะนึกว่าพร้อมแล้วเมื่อไหร่จะไปประกาศตัวเว็บไซต์เราทำภาษาอังกฤษภาษาจีนเมื่อไหร่คนจะเต็มศูนย์นะแต่ตอนนี้เอามาทาไมเรายังไม่พร้อม ไม่มีใครไม่ทุกข์ในโลกนี้ทุกหมดเหรอเขาก็แอบฟังย t ท b e พ่อครูอะไรอะไรบางคนก็โทรทางไกลมาบางคนมีอากาสก็เข้ามานะหลายประเทศทั่วโลกแต่คุณครูอยู่ที่นี่เนี่ยถ้าเราละเลยนี่เราไม่เห็นคุณค่าของมันเราก็ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองด้วยนะตัวเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้เรามีศูนย์จิตใจศูนย์สมองศูนย์ปากท้องโรงเรียนก็เป็นศูนย์สมองเป็นส่วนหนึ่งหนึ่งในสาของที่นี่ นะส่วนโรงเรียนก็กระจายเป็นสองโรงเรียนแล้วศูนย์จิตใจเราก็เนี่ยมีศูนย์กรุงเทพมีศูนย์ที่นนบุรีเห็นไหมก็ เ, เพื่อเพื่อให้ญาติโยมและทั้งสองจี่ศูนย์ก็ฟรีหมดอ่ะเราไม่ได้ค้าขายการให้เป็นสุขอย่างยิ่งยิ่งให้ก็ยิ่งได้หลายคนก็เป็นห่วงพวกครูนะวันนั้นก็มาจากเยอรมันถามพรกครูเอาสตังค์ที่ไหน เงินผู้ด้วยเจ้าเต็มไปหมดไปห่วงอะไรในห่วงอนาคตนะเพราะกูไม่มีอนาคตมันก็รอดมาได้ยี่สบแปดปีไปห่วงอะไรเราทําความดีไม่ต้องห่วงนะหรือว่าวันใดวันหนึ่งเขาบอกว่าให้ศ hey, ูนย์มันไม่ดีปิดเลยก็ปิดพวกนี้ปิดก็มาได้เพราะกูไม่ได้เดือดร้อนที่ไหนก็ทําความดีได้นะอันนี้ก็เน้นว่าคุณครูจะทําไมต้องเสียเวลามาที่นี่ ถ้าเราดึงตัวเองออกมาจากอารมณ์อยู่ในครอบครัวทั้งลูกทั้งเต้าอะไรเนี่ยออกมาหน่อยหนึ่งเราสว่างปุ๊บแล้วจะมองกลับไปเห็นว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวเราน่าจะทํำยังไงชีวิตเราน่าจะเซตเอาเวลาอย่างไงแบ่งปันเวลาอย่างไรถ้าเราจมปักอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาเนี่ยเราคิดนอกกรอบไม่ได้อิสลามเนี่ยเขาละหมาดวันหนึ่งห้าครั้งสังเกตไหมทํางานที่บริษัทไห น, นก็ช่างต้องมีห้องละหมาดเนี่ยาสองชั่วโมงปุ๊บมันถอยออกไปละหมาดเป็นการ ตั้งสติเมื่อสมองปลอดโปร่งแล้วไปทา ง, งานอีกสองชั่วโมงเนี่ยผลงานดีกว่านะมีบริษัทเดี๋ยววันนี้จะเดี๋ยวเดี๋ยวสองสาวันนี้ฉายให้ดูไงอ่าบริษัทพิยานี่ขายเครื่องมือการแพทย์ตอนนี้หนึ่งนาทีทางานก่อนก่อนเข้างานนี่เช็คแอนแดนสองชั่วโมงปุ๊บหยุดนะทุกคนอยู่กับที่ที่โตทำงานเนะ่เช็คแอนแดนหนึ่งนาที คือเราดึงให้ออกมาจากอารมณ์นั้นเมื่อมันปลอดโปร่งแล้วทำงานอีกสองชั่วโมงเนี่ยผลงานมันดีกว่าพอหยุดเที่ยงปุ๊บก็นหนึ่งนาทีไปกินข้าวแค่นั้นน่ะทุกอย่างดีขึ้ น, น, นมันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งเนี่ยเช็คแอนด์แดนคือเช็คอัพโยมายปลุกจิตเราให้ตื่นแดนเซอร์ไซออกกาลังกายโดยการเคลื่อนไหวโดยการเต้นรำนะ แล้วก็ปรับสมดุลทางอารมณ์ด้วยนะมันเป็นประโยชน์นะเอาเป็นว่าถ้าพวกคุณครูเป็นส่วนหนึ่งของูนย์นี้เนี่ยไม่เข้าใจมันแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์ของมันน่โรงเรียนแล้วก็พยายามทำอยู่แต่ว่าพวกครูไปแอบดูอยู่แล้วก็เลือกวิสัยทัศน์คนที่เลือกเพลงพวกคูก็รู้ไงก็ทำให้แค่มันเพลิดเพลินเฉยเฉยมันไม่ได้เข้าไปในจิตประโยชน์ของมันก็ได้ระดับหนึ่งก็ได้ก็เหมือนอะไรล่ะ เดี๋ยวทียี่สิเราเปิดวันนี้นะ่ะมีท่าโบกนั่นเนี่ยยังมีการกระทายังมีท่าอยู่จิตไม่อิสระมันก็เป็นแค่กายภาพบาบัดแต่จิตไม่ได้อะไรเพราะว่าทั้งหมดหลายปีเราไม่ทำจริงนะที่เราทำทั้งหมดเนี่ยไม่มีการกําหนดไม่มีสเต็ปไม่มีท่าที่แน่นอนทำด้วยความอิสระนะ อันนี้ก็เรียนรู้ด้วยกันถ้ามันไม่มีประโยชน์มันเป็นโทษเพราะคูจะหาเรื่องคุณครูก็ทำงานเหนื่อยแล้วเนี่ยมาเหนื่อยเพิ่มเติมทำไมถ้าเราทำจริงจังอะชีวิตเราจะดีขึ้นบางทีไปเครียดกับไอ้เรื่องไม่มีสาระสำหรับชีวิตเรื่องไม่มีเรื่องก็เอามาคีดจนมันเครียดนะเพราะเราวางไม่ลงเพราะเราไม่เข้าใจชีวิตทุกคนมองหาแต่อนาคตไปตายในหลวงเคยเตือนเรานะ ในหลวงรัชกาลที่9้าบอกว่าถ้าอยากจะรวยนะ่ะลาออกจากข้าราชการซะไปค้าขายอาจจะรวยได้แต่ถ้าเป็นข้าราชการเป็นแค่มีมสวัสดิการอะไรรักษาพยาบาลฟรีตัว น, นี้โอ้เป็นเพื่อจะได้มีเงินรักษานั้นก็ยิ่งโง่ใหญ่นะไม่ใช่ว่าทําให้ตัวเองไม่สบายแล้วค่อยรักษาทําให้ตัวเองไม่ต้องเป็นไข้ดีไหม พอไม่สบายมันก็ทุกข์แล้วไงถึงจะรักษาฟรีกร็ช่างเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรหรอทำให้ตัวเองไม่ต้องไม่สบายไม่ต้องเป็นอะไรเพราะกู69สปีเลไม่ค่อยเป็นอะไรกับเขาหรอกเห็นไหมระวังนะหลายคนนั่งแค่อายุขนาดนี้ลูกขึ้นมายังกับคนแก่แล้วเนี่ยดูแล้วดูอย่าประมาทนะเนี่ยสี่วันนี้นอกจากอยู่กับตัวเองแล้วเนี่ย ลืมตามองคนอื่นหน่อยหนึ่งมองแม่ชีที่นี่มองเนนมองชีน้อยมองชีใหญ่ที่นี่นะเขาปฏิบัติไม่มีวันหยุดเลยตั้งแต่ตีห้าครึ่งจนถึงสามทุ่มทุกวันเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยมากนะยิ่งเราต้องไปสู้กับเอกกระแสที่แข่งขันเสรีต้องใช้ความคิดเยอะๆนะ่ะยิ่งต้องกัดหามามองตัวเอง นะเหมือนรถยนต์มีแต่ใช้แต่ใช้ไม่เคยเข้าอู่เลยไม่เคยเช็คน้ำมันเครื่องไม่เคยเช็คน้ำเลยเดี๋ยวแหวนลูกสูบพังหมดร่างกายเราก็เหมือนกันนะทำให้มันต่อเนื่องนะอย่างนี้ดีไหมลองดูไหมจากวันนี้ไปคุณครูเนี่ยเดือนหนึ่งอาบน้าครั้งหนึ่งก็พอจะได้ประหยัดน้ำไงได้ไหม มันตายไหมมันไม่ตายนะดูสีนี่ปีหนึ่งอาบน้ำครั้งหนึ่งไปหยับน้ำด้วยไม่ต้องเสียเวลาอีกเห็นไหล่ะนี่แหละถ้าเราต้องอาบน้ำทุกวันเราต้องอาบจิตทุกวันจิตมันเปื้อนทุกนาทีพอเห็นมันปุ๊บไม่พอใจปุ๊บเปื้อนแดีใจก็เปื้อนนะเป็นอารมณ์ทั้งนั้นแหละแต่เราไม่เคยอาบจิตเลยเนะี่ยมันก็สะสมสะสม พอมันขึ้นสนิมปุ๊บเนี่ยมะเร็งตามมาความเครียดตามมาโรคภูมิแพ้ตามมาเห็นไหมเราปฏิบัติไม่เห็นได้อะไรเลยเราได้เราไม่รู้ตัวก็เราไม่ต้องเป็นอะไรงไงทำให้เราไม่ต้องเป็นอะไรร่างกายแข็งแรงนี่คือได้งไงหรือจะรอให้มันเลี่ยงก่อนค่อยมารักษาเนาะนี่แหละคือเราชะล่าใจ เหมือนว่าเป็นเรื่องห่างไกลตัวจริงๆแล้วไม่ใช่นะ4ี่ห้าโปรแกรมนี้อยู่กับตัวเองตลอดเราไม่ได้ห่างไกลเลยเป็นเรื่องของตัวเองตลอดส่วนหน้าที่การงานหน้าที่ทางครอบครัวนั่นเราก็ทําอย่างมีความสุขถ้าเกิดว่าเราไม่ปลุกตัวเองตื่นน่ยอันนี้ก็ปัญหานี่ก็ปัญหานี่ก็ปัญหาะสะสมความเครียดตลอดเวลาเดี๋ยวเดี่ยงหมดโครคภัยไข้เจ็บต่างๆก็เกิดขึ้น โอเคนะได้เวลาพอสมควรแล้วก็เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวทานข้าวกัน